เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ทางไปข้างหน้าก็จะมองเห็นธรรมกถาเมื่อวันอาสาฬหาบูชาวันที่7รกรกฎาคมพุทธศักราช2552เอาแล้วนี่คือหลักพุทธศาสนาไปเอาว่านี่คือหลักการของชาวพุทธ ก็เลยสรุปเป็นห้าข้อหนึ่งก็คือหลักของความเป็นมนุษย์ต้องมีจิตสํานึกในการฝึกตนถือว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะดีเลิศประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยการศึกษาด้วย ก, ก, การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนานี้แหละทีนี้พอได้อันนี้แล้วทีนี้เอาและจะเดินหน้าไปในการพัฒนาก็ได้พระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่าง แล้วก็มาชี้ทางให้เข้าสู่ธรรมะตอนนี้จะเอาแล้วต้องเจริญปัญญาพัฒนาปัญญารู้คนใจแล้วก็มาสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาเป็นส่วนร่วมสังคมที่ดีและใช้สังคมให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วก็มาทำกิจกรรมทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนเองให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนั้นห้าข้อเนี่ยหนึ่งหลักความเป็นมนุษย์สองหลัก พระรัตนตรัยสามข้อต่อมาสองสามสี่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็หลักข้อห้าหลักกรรมนี่ในศาสนาต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีชาวพุทธเนี่ยเหมือนกับคนไม่มีหลักใช่ไหมศาสนาต่างๆเขาต้องมีหลักความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัติเป็นศาสนิกศาสนานี้จะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งต้องเชื่ออะไรบ้างสองต้องทําอะไรบ้างชาวพุทธนี่ กลายเป็นคนเพลงควางเ่อนลอยไม่มีอะไรแต่ว่าชาวพุทธนั้นเราไม่ชอบเรียกเขาเป็นหลักความเชื่อเราเรียกว่าเป็นหลักแห่งความเข้าใจหลักความรู้หลักความเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยต้องเข้าใจเข้าใจมองเห็นชัดแล้วปฏิบัติได้พอได้หลักห้าข้อนี้แล้วก็เอาละนี่ถือเป็นหลักการของชาวพุทธพอได้หลักการนี้แล้วทีนี้ก็ทาไงให้หลักการนี้สมริดผล โดยเฉพาะข้อที่5ก็คือทากรรมดีให้พัฒนาชีวิตขึ้นไปในข้อหนึ่งก็ต้องมาถึงข้อปฏิบัติเราก็มาวางข้อปฏิบัติกันนี่จากหลักการก็มาถึงหลักปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติการก็ได้เรียกเป็นคู่ซะเรียกหลักการหลักการให้เป็นหลักแห่งความรู้เข้าใจและหลักปฏิบัติหรือจะเรียกว่าหลักการกับปฏิบัติการก็ได้ในที่นี้เลยใช้คาว่า หลักการกับปฏิบัติการก็ได้หลักการแล้วก็สืบจากหลักการนั้นมาปฏิบัติการให้เกิดผลนั้นขึ้นมาปฏิบัติการนี้ก็วางเป็นข้อปฏิบัติต่างๆขึ้นมาก็มากมายหลายข้อตอนนี้อาตมาก็มาเสนอญาติโยมว่าเออมาช่วยกันคิดมาช่วยกันพิจารณาซีกวางออกมาได้ดูจะลายสิบสองข้อมัง้งแล้วก็เลยจัด เป็นหมวดหมดเพื่อให้จําง่ายสิบสองข้อเยอะเลยเกินได้เป็นสาหมวดคอขอค อ, อทีนี้ถ้าจะไปลงในรายละเอียดตอนนี้ก็เห็นจะไม่จําเป็นแล้วมันเป็นเรื่องรายละเอียดข้อปฏิบัติเข้าใจหลักการก็คือข้อปฏิบัติเนี่ยมาสนองหลักการนั้นหรือเป็นไปนตามหลักการนั้นทีนี้ในเรื่องข้อปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดมากมายเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันก็เป็นเรื่องข้อการที่ให้เรามีจุดเริ่มต้น ให้มีการเริ่มต้นทำไมมีการปฏิบัติให้การเริ่มก็ไม่มีสักทีให้มีจุดเริ่มพอเริ่มต้นแล้วอีกอย่างก็คือให้เกิดความเคยชินเกิดความคุ้นชินมนุษย์นี่สำคัญมากที่ให้มีวินัยเป็นต้นก็เพื่อให้เกิดความชินด้วยทำจนกระทั่งมันเป็นวัฒนธรรมเลย ว, วิินัยเนี่ยพอทำไปชินแล้วเป็นวัฒนธรรมเกิดมาอยู่ในสังคมที่เป็นแบบนั้นทาไปเองไม่ต้องรู้ตัว หรือเราทําอะไรจนชินเป็นธรรมดาแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตไปเป็นวิถีชีวิตวิถีสังคมเราเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติเราต้องทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตขึ้นมาวัาตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือข้อปฏิบัติก็อย่างนี้แล้วก็เป็นจุดที่บอกเมื่อกี่เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปเมื่อเราทําจุดเริ่มได้เราก็ไปขยายแล้วก็ทําลึกซึ้ง กว้างขวางออกไปทําเรื่องใหญ่โตขึ้นไปได้นี่เรื่องของข้อปฏิบัติแล้วข้อปฏิบัติก็มีความหมายสําคัญอีกด้วยก็เช่นว่าในแง่ของพฤติกรรมเนี่ยทำให้คุ้นชินเป็นธรรมดาเป็นปกติวิสัยอย่างที่ว่าในทางจิตใจเนี่ยเรามีที่พักผ่อนทางจิตใจบางทีก็ไปแล้วก็เป็นที่พักผ่อนในทางที่ทําให้ลุ่มหลงมัวเมาตอนนี้เรามีที่พักผ่อนจิตใจในทางกุศลบ้าง จะเห็นว่าข้อปฏิบัติบางอย่างนี้เป็นเรื่องของการให้ที่พักผ่อนที่ไปเดินเล่นของจิตใจบ้างจิตใจก็ควรจะมีที่เดินเล่นบ้างนะนีไปเดินเล่นสะบ้างไปชมนกชมไม้ชมสวนจิตใจมีที่เดินเล่นเป็นพักผ่อนแล้วก็มีสนามกีฬาของปัญญาปัญญาต้องฝึกต้องหัดมันจึงจะเจริญ ง, งอกงามแล้วก็มีสนามฝึกให้บ้างแล้วก็จะเจริญ ง, งอกงามไปรวมแล้วที่วางเป็นข้อปฏบบิบัติอะไรต่างๆก็อยู่ในประเภทเนี้ย เป็นส่วนมากเกื้อหนุนให้ชาวพุทธเจริญงอกงามขึ้นในศีลสมาธิปัญญาด้วยการกระทำกรรมดีงามที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองอันนี้รายละเอียดอย่างเนี้ยอย่าไปถือสานักอย่างที่บอกให้เป็นจุดเริ่มตน้นเดี๋ยวบางคนก็จะไปอุ้ยข้อนี้ไม่เห็นจำเป็นอะไรง่ายสำหรับฉัน <laughs> ฉันไม่ต้องก็ได้อีกบางคนก็ทำไมเอาอยางงี้ทาไมไม่เอาอยางงั้นอย่างงี้ฉันไม่เอาด้วยละต้องเอาอยางน้น อาอย่างเงี้ยจะไปเถียงกันเวลามีขึ้นมาแล้วเขาก็คิดไปใ้ขั้นหนึ่งอแล้วจะคิดรอบขอบอยังไงก็ตามมาอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าให้มีจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็พอจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้เราก็มาจัดปรับแต่งกันต่อไปนะทีนี้เรื่องของข้อปฏิบัติเหล่านี้เอาในกรณีที่ว่าเออข้อปฏิบัตินี้มันง่ายเกินไปฉันก้าวไปไกลแล้วอย่างเงี้ย อาตมาจะเล่าให้ฟังมีตัวอย่างในพุทธศาสนาใช้เวลาโยมนิดหน่อยเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทคือวินัยสําหรับพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแ ย, ะ เ, ยะเป็นตัวอย่างคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าทุกครึ่งเดือนนะให้พระมาทําอุโบสถอุโบสถหมายความมาประชุมการสวดปาฏิโมกเป็นการทบทวนตรวจทานศีลนั่นเองที่เราเรียกว่าศีล227ก็คือสิกขาบท227ข้อเนี่ย พูดง่ายๆก็คือตรวจสอบความบริสุทธิ์เพื่อจะดำรงความบริสุทธิ์ของพระไว้ก็เลยมีระบบการประชุมฟังปาติโมกธรมโมโบสดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาว่าทุกพึ่งเดือนให้พระมาประชุมกันธรมโบรมโบสดฟังปาติโมกสดกันนี่กล่าวฝ่ายพระอาหารหันต์องค์หนึ่งชื่อพระมหากรัปินธเถระท่านก็มาคํานึ่งลำพึงขึ้นมาว่าเอพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ก็เพื่อตรวจสอบ ทวนทานความบริสุทธิ์ของพระเรานี่ก็ท่านใช้คำว่าวิสุทธโธปรมาจารวิสุทธิยาเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วด้วยความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมก็คือเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีอะไรด่างปลอยแล้วนีเ่เราควรจะต้องไปไหมจะต้องไปทําอโบสดไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตัวท่านเลยบอกกันเนี่ยเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมพระมหากรรปินะก็บอกใช่พระพุทธเจ้าตรัสบอกกันเนี่ย เธอทั้งหลายผู้เป็นชั้นยอดเป็นระดับผู้นำเป็นระดับที่เป็นหลักถ้าพวกเธอไม่ทำแล้วใครก็จะทำะนั้นผู้ใหญ่ผู้ที่เก่งผู้ที่ชำนาญลงลึกในธรรมะแล้วนี่แหละยิ่งต้องทำเป็นแบบอย่างนี่มีตัวอย่างบุตสันนาหรือยังเอาง่ายๆอย่างพระมหากัสปะเถระเนี่ยท่านถือธุ ด, ดงมาตลอดชีวิตก็ เ, เป็นพระธุ ด, ดงนั้นไปข้อปฏิบัติขัดกล้าวกิเลส สำหรับผู้ที่ฝึกฝนตนเองเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาริยะอ น, นี้เป็นพระอรหันต์เองแล้วจะไปต้องปฏิบัติทําไมเครื่องขัดเกาเหล่านี้แต่พระมหาการสปะท่านถือธุดงมาจอท่านแก ง, ง่อมเพราะแก ง, ง่อมมากทีนี้ท่านใช้ผ้าบางสกุลผ้าหยาบผ้าเนื้อหยาบผ้าไม่ดีผ้าไปเอาของก็ทิ้งมาซักปะปนกันทําให้สะอาดเกาสะอาดแต่ว่ามันหนัก พระเจ้าครั้งหนึ่งระาจอดป้อนนี่าหากัสปะนะเขเรียกพระ อ, องค์ไม่เรียกมาหากัสปะรพระ อ, องค์เรียกกัศปะเธอก็อายุมากกว่านี้แล้วเธอใช้ผ้าที่ขณ า, าดดีเขาถวายเนื้อดีมันก็ได้จะได้เบาหน่อยจะได้สบายหมาหากัศปะก็ก็เรียกว่ากราบขอบพระคุณพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานความเมตตาแล้วท่านก็บอกว่าเจ้ากำหม่อมเนี่ยขอโอกาสที่จะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไป พุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมีเหตุผลอะไรที่จะปฏิบัติอย่างนี้บอกจะได้เป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลังเท่านั้นเนี่ยเนี่ยคือข้อปฏิบัติหลายอย่างไม่จําเป็นแล้วสําหรับหลายคนอย่างพระอาหารหันเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติสิกขาบทแม้แต่เล็กน้อยเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่พระทั้งหลายอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้นําหลักของพุทธศาสนาหนึ่งก็คือปัจฉิมาช น, าานุกามะมานัสสาเพื่อ เพื่อกูรต่อชุมชนที่จะเกิดตามมาภายหลังก็ง่ายๆก็คือเพื่อประโยชน์แก่อนุชนนั่นเองอันนี้สองอันหนะึ่งทิศฐานทุกติเพื่อเป็นแบบอย่างเขาจะได้เห็นไว้เป็นตัวอย่างแล้วทำตามแล้วก็สองก็เพื่อประโยชน์กับชุมชนรุ่นต่อไปขา้างหน้าเพราะนั้นที่เราทำเนี่ยโยมถือหลักปฏิบัติเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองนะทำเพื่อส่วนรวมเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่ออุเคราะห์ชนรุ่นหลัง เพื่อความสามัคคีข้งส่วนรวมเป็นต้นต้องทำกันต่อไปแล้วทีนี้ในแง่ของข้อปฏิบัติเหล่านี้อย่างที่ว่าแล้วเวลาตกลงกันแล้วก็ต้องทำจริงแต่ทำจริงก็อย่าจริงจังอย่ายไปติดตังทำจริงจังก็หมายความว่าตกลงกันแล้วเอาทำอย่างนี้ต้องทำแต่ว่าในพุทธศาสนาท่านไม่มีการบังคับพระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมามีกติกาอ้าว คุณยอมรับจะเข้ามาสู่สังฆะมาบวชเนะี่ยพูงง่ายๆมีกติกาว่าอย่างนี้ถ้าคุณบวชคุณก็ต้องถือตามเขาสมัครใจบวชก็แปลว่ายอมรับกติกานั้นจริงจึงเป็นอนันว่าต้องปฏิบัติแต่พระ อ, องค์ไม่ไปบังคับใครให้ปฏิบัตินี่เป็นหลักการพุทธศาสนาทีนี้เราก็มาดูหลักชาพุทธเนี่ยหลักชาพุทธในแง่ข้อปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมันไม่มีการไปบังคับใคร แล้วก็ตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําให้เราชัดเจนว่าเราจะทํายังไงกับข้อปฏิบัติเหล่านี้เมื่อกี้อาตมาบอกไม่ต้องติดตังติดตางเขาใช้มาโมเถียงกันว่าต้องเอาอย่างงั้นต้องเอาอยัางงี้ก็คือข้อปฏิบัติต่งตางๆเหล่านี้มันปรับมันจัดมันแก้ได้แต่ให้มันเริ่มต้นได้ก่อนเราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาบัญญัติศิกขาบทบัญญัติไปแล้ว อ้าวเดี๋ยวมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นพระองค์ก็ประชุมสงฆ์บอกว่ายกเว้นอันนี้นะี่มีอนุบัญญัติขึ้นมาเว้นแต่อย่างนั้นเว้นแต่อย่างนี้เว้นแต่โดยกาละบ้างเว้นแต่โดยเทตะบ้างเว้นโดยสภาพแวดล้อมเว้นโดยความแตกต่างระหว่างบุคคลคือมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันกาละเวลายุคสมัยไม่เหมือนกันเทตะสถานที่ไม่เหมือนกันตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคล แม่แต่ไม่ใช่ความแตกต่างทางด้านรูปธรรมความแตกต่างทางด้านระดับการพัฒนาชีวิตก็ไม่เหมือนกันทีนี้หลักการเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเรายืดหยุ่นในแง่วิธีปฏิบัติไม่ใช่ยืดหยุ่นคือมาปรับจัดให้มันลงตัวได้ไม่ใช่ไปติดตังอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่หมายความเราไม่มีหลักเราชัดเจนในความหมายและความมุ่งหมายเราชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการ แต่วิธีปฏิบัติในหมู่มนุษย์นี่ต้องจัดปรับอีกทีหนึ่งเมื่อเราชัดเจนในความหมายความมุ่งหมายสิ่งที่ต้องการแล้วทีนี้จะมาเอาอยัางไงกับคนก็ดู เ, เนสภาพแวดล้อมกาลเทศะความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ป็นต้นเราจัดปรับให้เหมาะเราจะเห็นเลยเช่นพระพุทธเจ้าบัญญัติอาตมาจะยกตัวอย่างสิกขาบทสักข้อหนึ่งอ้าวตอนแรกพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยคณะสงฆ์ พุทธศาสนายังอยู่ในบงแคบอยู่ในทินเจริญอยู่ในเมืองใหญ่ใหญ่อยู่ในเมืองราชครือแคว้นมคตนี่เป็นบ้านเมืองเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนมากแล้วก็อากาศอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเอือ้อพระพุทธเจ้าเคยสมบัญญัติว่าให้พระเนี่ยอาบน้ำได้ครึ่งเดือนต่อครั้งนะก็ ทินนั้นถ้าพระไปเที่ยวอาบที่โน่นที่นี่แล้วไปจุ้นจานวุ่นวายยุ่งชาวบ้านเขาทำให้เขาลาบากด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมอากาศอะไรต่างๆก็ไหวนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อาตมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งยอมให้โยมเสียเวลานิดหนึ่งเนี่ยคราวหนึ่งพระหลายองค์ไปสงน้ำกันอยู่ที่บ่อน้าร้อนชิวาตาโปธาท่านที่ไปอินเดียเนี่ยอาจจะได้ไปที่ตโปธาราม เน่พระก็ไปอาบกันที่นั่นอาบกันอยู่นานทีนี้วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าบดินน่ยจะมาสงสนารจะมาสงผัเสียนที่ตะโปธาที่บ่อน้าร้อนในบ้างพอมาก็เห็นพระภิกษุพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสงน้ํากันอยู่พระองค์เนี่ยทรงนับถือพระมากก็เสด็จไปพักรอพักรอให้พระสงฆ์ก่อนว่าเออพระสงเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปสงเสียนพระท่านก็คงจะอาบเพลินเน่ย บ่อ น, น้ําร้อนอาบกันสบายหลายองค์ก็อาจจะเป็นพระปุถุชนอาบจนกระทั่งเย็นจะพบค่ําจึงเลิกพระเจ้าปิพิสารรอตั้งนานจะพบค่ําจึงได้เข้าไปส่งพระเสียรเอาส่งพระเสียรเสร็จแล้วทีนี้มืดแล้วประตูเมืองปิดประตูเมืองนี่เขามีกฎไว้บอกว่าแม้แต่พระเจ้าเปิดดินของตัวเองก็ไม่เปิดให้นะถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยประตูเมืองปิดไปอันว่าไม่เปิดแม้แต่พระเจ้าเปิดดิน เะ น, นั้นพระเจ้าพิมพิสารวันนั้นต้องประทับค้างแรมนอกเมืองก็เลยไปหาที่ประทับนอกเมืองพอรุ่งเช้าก็ทรงนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงคงจะเรียกแบดชชบ้านล้างหน้าล้างตาประแป้งอะไรเสร็จก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าเลยพอไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพระองค์ทำไมมาแต่เช้าเหมือนจะ แ, แต่งหน้ามาหมาดอะไรทานองนี้เนย พระเจ้าเป็นพิสัยก็เลยต้องเล่าว่าพระองค์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมารอพระสงน้ากันจนค่าก็เลยเข้าเมืองไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์แล้วก็จัดถึงข้อเสียหายไม่ดีไม่งามไปทำให้ชาวบ้านเขาลำบากแล้วก็บัญญัติสิกขาบทว่าให้พระเนี่ยอาบน้ำครึ่งเดือนต่อครั้งนี้ต่อมาคือพระเนี่ยท่านถือบัญญัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งชีวิตเลยต่อมาพอถึงฤดูร้อน พระท่านก็ไม่กล้าละเมิดพระบัญญัติอากาศก็ร้อนเหงื่อก็โบมตัวเนรณาสีวรก็ไม่สะอาดท่านก็ไม่สบายความทราบถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจากก้าเขประชุมสงฆ์พระองค์ก็ตรัสนี่เราเรียกว่าอนุบัญญัติบอกว่าให้อาบน้ําสงบน้ำเนี่ยครึ่งเดือนครั้งเว้นแต่สมัยนะเว้นแต่สมัยนี่คือยกเว้นตามกาลละเว้นแต่สมัยคืออะไรคือครึ่งฤดูร้อน ช่วงที่รอดจัดและกันหนึ่งเดือนแห่งฤดูฝนรวมเป็นสองเดือนครึ่งอันนี้ยกเว้นให้อาบได้บ่อยนี่อนุบัญญัติเกิดแล้วใช่ไหมที่ข้อยกเว้นต่อมาพุทธศาสนาขยายไปถึงดินแดนเขาเรียกว่าปัจจานตะชนบทเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเด็กข่านเด็กข่านก็คืออินเดียภาคใต้ทักซิณาบทถึงทักซินาบททินแดนที่ไม่เจริญผู้คนก็น้อยก็ ที่นั่นก็อาจจะร้อนมากด้วยการเดินทางอยู่ก็ต้องเนหน็ดเหนื่อยกันมากพระมหากจรยนะไปอยู่ที่นั่นบวชลูกศิษย์แล้วต่อมาก็ฝากลูกศิษย์มาเฝ้าพุทธเจ้าถ้าพระลูกศิษย์ถ้าจะมาเฝ้าพุทธเจ้าพระพระมหากจรยนะก็ฝากมาขอว่าขอย้อนพระบัญญัตินี้ให้สำหรับปัจจันตชนบทพระองค์นี้ชื่อโสนาคุติกนนะก็มาเฝ้ากราบถุนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติเพิ่ม เรียกว่าอนุบัญญัติอีกยกเว้นทินห่างไกลาชายแดนพวกนี้นอกมัชิมัประเทศให้อาบได้ตลอดเวลาว่างั้นนี่อย่างที่เป็นต้นเนี่ยสิกขาบทุ ธ, ธิจาก็ปรับเรื่อยหรืออย่างในมัชิมประเทศทิ่นเจริญแต่ก่อนเนี่ยพระใช้รองเท้าได้ชั้นเดียวนี่ก็มหากระจายอานะนี้แหละไปเผยแผ่พระศาสนาในอวันตรีชุนบทห่างไกลามาก ก็ฝากลูกศิษย์มาลูกศิษย์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าในปัจจันจรชนบทชินชายแดนบ่านนอกเนี่ยพื้นดินก็ขรุขระเป็นปุ่มเป็นป่ําเดินยากต้องใช้รองเท้านันหนาขอให้ทรงมีพุทธานุญาตให้ใช้รองเท้าได้หลายๆชัน้นพระพุทธเจ้าก็าทรงปาราบลบเหตุนี้มีเหตุผลก็ทรงบัญญัติยกเว้นให้สําหรับถิ่นห่างไกลชน น, นบทปลายแดนอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ใช้รองเท้าได้หลายชัน้นอย่างงี้เป็นต้น อย่างนี้เป็นต้นให้โยมรู้ไว้ <c oughs> เรื่องข้อปฏิบัติสุหรมนุษย์เนี่ยจัดปรับได้เรื่อยเยให้มันลงตัวได้ที่พอดีแนบเนียนสนิทใจนะต่อไปมันค่อยๆเปล่นไปอย่าไปมัวติดตั้งอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้กันเราไม่รู้จักจบเอาละอาตมาก็เล่าตัวอย่างให้โยมฟังซะเยอะแยะเลยจะได้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาว่าเราไม่มีวิธีการแต่ว่ายังไงก็ขอให้มีได้จะดี และในการที่จะมีหลักเหล่านี้อาตมาเมื่อกี้ไปเห็นนี่ก็พิมพ์เชื่ออาตมาไว้ได้หลักชาวพุทธทีนี้ต่อไปนี่ขอให้ออกดีกว่าถือว่าเป็นหลักที่ว่าเราถือหรือมีร่วมกันเพราะว่าอาตมาก็ถืออะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นเพียนผู้ร่างผู้ร่างแล้วนำเสนอแม้แต่เวลาที่จะทามาก็บอกแล้วเนี่ยพระ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไปบังคับใครอาตมาก็เป็นเพียงร่างมาเสนอแล้วก็ถามโยปรึกษาเออโยไม่ผู้ปฏิบัตินะอาตมาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโยทําได้ไหม เ, เห็นด้วยไหมแล้วมีข้อเสนอเพิ่มมาของโยก็มาช่วยกันปรับมาทําให้มันลงตัวให้ดีให้โยปฏิบัติได้ผลถ้าเราได้มติในขั้นหนึ่งที่เรียกว่ากันกรองพอสมควรแล้วก็เอาและเริ่มต้นได้เนี่ยก็เลยถือเป็นข้อ เสนอที่มายุติด้วยมติส่วนรวมร่วมกันของพุทธบริษัทอย่าไปถือไม่ต้องไปถือเป็นของใครละทีนี้ถือเป็นของส่วนรวมร่วมกันนี้เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็เลยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งขอโยมเสียเวลาอีกนิดหนึ่งย้ำก็คือว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่การบังคับเราจึงมีพิธีกรรมที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ถ้าโยมไม่คิดก็ไม่เข้าใจ เราไม่ไปบังคับใครให้ถือศีลจนกระทั่งโยมต้องมาขอศีลใช่ไหมแม้ฉันจะปฏิบัติเองยังต้องมาขอบอกว่าจะขอศีลเนี่ยพระไม่ไปเรียกร้องไม่ไปบอกบังคับใครให้ปฏิบัติขอศีลพระก็ให้ศีลแต่ที่จริงพระไม่ได้ให้เลยเราก็เรียกกันมาติดปากว่าให้ศีลมีที่ไหนไม่มีที่ไหนที่พระให้ศีลถ้าเราศึกษาให้ดี มันมีนวยะมีความหมายซ่อนอยู่ในการปฏิบัตินั้นซึ่งขอเอาความหมายที่ซ่อนอยู่มาบอกโยมโยมไปขอสีนบอกว่ามายังพันเตติสรเนนัสหาปัญจศีลานิยั จ, จามะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอสีห์แล้วพระทำไงพระบอกโยมศีนเนี่ยให้ไม่ได้พระให้ไม่ได้อ้าวแล้วทำไงล่ะ ก็โยมอยากมีศีลคือพระได้มีหน้าที่สอนชี้แจงแนะนําอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วทําอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยไม่ดีจะเกิดผลร้ายอย่างนั้นถ้าโยมไม่ต้องการผลร้ายอย่างนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรจะละเว้นแต่ควรต้องการผลดีอันนี้ควรทําเหตุดีอันนั้นเออโยมเห็นด้วยก็เลยจะทําตามนี่ก็คืออยากจะมีศีลขึ้นมาอาเปอันว่าพระบอกให้เท่านั้นเองแล้วยมสมัครใจก็มาแต่ก็ยังมาขอศีลอีก พระก็บอกว่าฉันให้ศีลไม่ได้หลอกถ้าโยมปฏิบัติตัวดีแล้วโยมก็มีศีลเองแต่ว่าฉันจะบอกข้อปฏิบัติที่โยมไปฝึกหัดทำํำแล้วโยมจะมีศีลได้เอา้าโยมก็บอกเออย่างงั้นท่านบอกมาพระกันเลยบอกสิกขาบทให้ขอให้ดูนะโยมขอศีลพระบอกสิกขาบทไม่ได้ให้อะไรทั้งสิน้นบอกสิกขาบทก็คือบอกข้อปฏิบัติในการฝึกหัดตัว ให้เป็นผู้มีศีลเอา้าโยมก็ศึกษาปฐห ะ, ะแล้วข้อฝึกข้อศึกษาก็ไปปฏิบัติข้อหนึ่งฝึกหัดปฏิบัติตนในการเว้นจากการทำลายชีวิตข้อสองเว้นจากการละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นอะไรต่ออะไรไปทุกข้อจบแล้วโยมไปปฏิบัติอย่างเงี้ยโยมจะมีศีลเองนะแล้วพระก็จะบอกอนิสงส์ว่าศีลเลนทศกติงยันติสีเลนโพกสัมปทา สีเลนอ น, นิพพติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยบอกกันเนี่ยนะด้วยศีนเนี่ยก็จะบรรลุสุขติจะได้โพคะจะอะไรตอะไรน่ยสังคมเนี่ยจะดีมีศีลแล้วก็จะสังคมนี้ก็จะมั่งคั่งรุ่งเรืองได้ถ้าโมเดิร์นเบียนกันอย่างนี้สังคมก็จะรุ่งเรืองมีโภคะไม่ได้หรอกอะไรทํานองเนี้ยนี่ก็บอกอันสู์ก็ไปกําลังใจว่าให้โยมไปฝึกหัดตามสิกขาบทนี้แล้วจะได้มีศีลกันแปลว่าโยมขอศีลพระบอกสิกขาบทให้ไปปฏิบัติ สองโยมฟังพระแล้วว่าเออจิตใจดีมีสมาธิแล้วมันดีอย่างงี้ฉันอยากมีสมาธิก็มาขอสมาธิกับพระพระก็บอกอย่างเดียวกันหรอโยมสมาธิเนี่ยพระให้ไม่ได้หรออา้าวแล้วทําไงล่ะฉันจะบอกกรรมฐานให้พวกนั้นบอกกรรมฐานก็คือวิธีปฏิบัติข้อฝึกหัดแล้วท่านเอากรรมฐานเนี่ยไปฝึกไปปฏิบัติแล้วท่านจะเกิดสมาธิเองใช่ไหม โยมขอสมาธิพระบอกกรมรมฐานอายมอยากมีปัญญามาขอปัญญาพระก็ บ, บอกอย่างเดียวกันบอกว่าปัญญาพระให้ไม่ได้หรอกอาแล้วทำไงพระ ก, บรร ก, บบกร็บอกข้อมูลความรู้ให้ท่านเรียกก็บอกสุตตะบอกข้อมูลความรู้ให้บอกข้อพิจารณาให้บอกวิธีฝึกปัญญาวิธีคิดให้าแล้วก็คุณไปปฏิบัติฝึกหัดตัวเองคุณก็เกิดปัญญานี่ หลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้สีสมาธิปัญญาตั้งเกิดจากการฝึกตัวเองทั้งนั้นมันก็เข้าหลักข้อแรกอะไรต้องฝึกเอาฝึกเอาก็ได้การทำก็ข้อที่ห้าแหละทำเองแล้วข้อปฏิบัติทั้ง12ข้อที่ว่าเมื่อกี้จะปฏิบัติการเนี่ยก็อยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือทําไงจะให้มีการเริ่มต้นในการที่จะได้เจริญงอก ง, งามขึ้นมาในกรรมดี และจะได้มีศีลมีสมาธิปัญญาจเจริญขึ้นไปตามแนวทางของพุทธเจ้าในการปฏิบัติตามหลักการของธรรมชาติที่เป็นความจริงถูกต้องตามเหตุปัจจัยของมันแล้วก็จะได้มีสังคมที่ดีงามที่มาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเจริญขึ้นไปอย่างที่ว่าครบหลักการห้าข้อนั้นข้อปฏิบัติสิบสองข้อนี้ก็จะมนหนุนแล้วก็โยมก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงไม่ต้องไปติดตังไม่ต้องไปค้างใจว่าเอออันนี้มันไม่น่าจะเอายังไม่เป็นไรยโยมมีสิทธิ์ต่อบไปโยมก็ มาเสนอได้บอกอันนี้ไม่ดีเลยโยมถ้าท่านขอเปลี่ยนปรับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสังคมมันต้องอยู่ด้วยอย่างนี้มนุษย์ทุกคนก็ร่วมกันอาตมาก็เลยพูดสยืดยาวก็คิดว่าไม่ต้องเข้าสู่เนื้อหาของหลักปฏิบัติอะไรหรอกเอาแค่ให้โยมเข้าใจหลักการทั่วไปเนี่ยแล้วก็เริ่มได้อ น, นี้ลงท้ายอาตมาก็เลยเอามาอ่านให้โยมฟังซะ ไหนไหนพูดไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วอ่านให้ฟังมีไมไหมครับหลักชาวพุทธที่ว่าเอานะเป็นหลักร่วมกันไม่ใช่ของใครนะงั้นอาตมาขอกาศอ่านนะยมยอมเสียเวลานิดนึงนะนั่นเลยพออ้าวมาเท่ากับทวนที่อาตมาพูดไปแล้วหลักชาวพุทธหนึ่งหลักการนะฟังหลักการก่อนห้าข้อแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะ ยึดถือเป็นหลักความเข้าใจที่ใช้ได้ก็เอาหนึ่งหลักการหนึ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่ามนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนได้ศิกขาคือการศึกษาสองข้าพเจ้าจะฝึกตนให้มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณาตามอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามข้าพเจ้าถือธรรมคือความจริง คามถูกต้องดีงามเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสินสข้าพเจ้าจะสร้างสังคมตั้งแต่ในบ้านให้มีสามาคัคคีเป็นที่มาเกือ้อกูลร่วมกันสร้างสรร5ข้าพเจ้าจะสร้างความสําเร็จด้วยการกระทําที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทเนี่หลักกรรมข้อสุดท้ายห้าข้อในหลักการเลยหลักการใหญ่ นี้ต่อไปก็ปฏิบัติการสองปฏิบัติการข้าพเจ้าจะนำชีวิตและร่วมนำสังคมประเทศชาติไปสู่ความดีงามและความสุขความเจริญด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้แยกเป็นสามหมวดหมวดละสี่ข้อหมวดก็มีศีลวัดประจาตนหนึ่งมีปกติกราบไหว้แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัย บิดามารดาครูอาจารย์และบุคคลที่ควรเคารพสองสมาทานเบญจสีลให้เป็นนิจสีลคือหลักความประพฤติประจำตัวไม่มืดมัวด้วยอบายมุขสามสวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต์โดยเข้าใจความหมายอย่างน้อยก่อนนอนทุกวันสี่ทำจิตใจให้สงบผ่องใสเจริญสมาธิ และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่เป็นกุศลวันละห้าถึงสิบนาทีหมดหนึ่งจบและทีนี้หมดขอเจริญกุศลหนึ่งนิดห้าบำเพ็ญกิจวัด ว, วันพระด้วยการตักบาตรหรือแผ่เมตตาฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมโดยบุคคลที่บ้านที่วัดที่โรงเรียนหรือที่ทำงานร่วมกันประมาณ15้านาทีท่านที่ตักบาตรทุกวันอยู่แล้วก็สบายไปเลยอันนี้ นี่เรียกว่าสําหรับคนเริ่มตน้นหกเก็บออมเงินและแบ่งมาบําเพ็ญทานเพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อบูชาคุณเพื่อสนับสนุนกรรมดีอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสนับสนุนกรรมดีหมายความใครก็ทําความดีอะไรเราเอาเงินไปช่วยหนุนเขาเจ็ดตัวนี้ตัวเองทำเองละเพิ่มภูณบุญกรรมบําเพ็ญประโยชน์อุทิศแด่พระจันทร์ไตรามารดาบิดาครูอาจารย์และท่านผู้เป็นบุพการีของสังคมแต่อดีตสืบมา อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 8. ไปวัดชมอารามที่รื่นรมและไปร่วมกิจกรรมทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของครอบครัวจบหมดที่สองต่อไปก้าหมดที่สามหมดคอทำชีวิตให้งามประณีต 9. ฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยปัญญาให้กินอยู่พอดี 10. ปฏิบัติกิจส่วนตนดูแลของใช้ของตนเองและทำงานของชีวิตด้วยตนเองคือจะให้ฝึกตั้งแต่เด็กเลย 11. อชมรายการบันเทิงวันละไม่เกินกำหนดที่ตกลงกันในบ้า น, นบ้านรู้จักวางตติกากันบ้างและมีวันปลอดการบันเทิงอย่างน้อยเดือนละหนึ่งวัน 12. มีสิ่งบูชาสการะประจำตัวเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณของพระราตนตรยัยและตั้งมันอยู่ในหลักชาวพุทธ เนี่ยอันนี้คือมีกันอยู่แต่ว่าบางทีเขวยเพี้ยนไปมีสิ่งบูชาสการะเพื่อจะได้อ่อนวอนพวกนั้นก็เลยต้องกำกับมีสิ่งบูชาสการะประจําตัวเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณพระรัตนใจและตั้งมันอยู่ในหลักชาวพุทธจะบอกว่ามีเพื่ออะไรอย่าเพี้ยนพวกนั้นเอาและกระจบแล้วแล้วก็สรุปว่าด้วยการปฏิบัติสาหมวดสิบสองข้อนี้ ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธแท้จริงที่มั่นใจว่าจะสามารถรักษาทำไว้และร่วมนำโลกไปสู่สันติสุขเอาละเลยพ่อยกขออนุโมทนาก็ขออภัยโยมด้วยวันที่พูดยาวมากเปิดไปก็ถือว่าโยมมาช่วยการทำกุศลก็แล้วกันต้องพุทธบริษัททั้งสามคิธียังที่บอกแล้วต้องร่วมใจกันแล้วก็ก็จะเกิดผลดี แก่พระพุทธศาสนาแต่ที่แท้ก็คือเกิดผลดีแก่ชีวิตของทุกคนและแก่สังคมของเรานั่นเองสังคมก็จะดีงามประเทศชาติจะรุ่งเรืองมีความสุขสงบจะไม่ถลหลลงไปในทางอบายคือความเสื่อม น, นั้นช่วยกันเถอะอก็ขออนุมานาโยมญาติวิทุกท่านอาตมาไม่ทราบไม่มีอะไรติดค้างนะถ้ามีติดค้างโยม ก, ก็ทวงถ้าไม่ติดค้างอาตมาก็ขอจบก็แปลว่า อนุวัฒนายโยอีกครั้งหนึ่งก็ขอส่งเสริมกำลังใจว่าโยมีจิตใจเป็นกุศลเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่มาร่วมพิธีทำบุญบูชาพระจันตรใจกันแล้วก็มาอุปถรัรมภ์ระสงค์เกือกูลด้วยผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนปรรษาแล้วต่อไปนี้เราทุกคนก็มีหน้าที่ของแต่ละท่านในการเจริญงอกงามก้าวไปในศีลสมาธิปัญญาเริ่มตั้งแต่ทานศีลภาวนานเนี่ย ก็ขอให้เราเก้าวกันไปทุกท่านก้าวไปและร่วมแรงกันสนับสนุนกันให้ก้าวไปและขอให้ทุกท่านเนี่ยเจริญงอกงามในกุศลที่เป็นมงคลอันแท้จริงอันจะนามาซึ่งความสุขความเจริญก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตัตุรพิทผ่อนชัยพร้อมกันในครอบครัวในชุมชนสังคมประเทศชาติแผ่ไปจนทั้งถึงโลกนี้ก็ขอให้อยู่การร่มเย็นเป็นสุขตลอดการทุกเมือ่อ เธอ